ปณิถานาโตปทฏฐานะถาคตาสะถาสะปังรมิโยทถาสะอุปปังรมิโยทถาสะปังรมัตถะปังรมิโยปัญจมหาปังริจจากเฆโลกัตถจังริยหายาตาถจังริยาหพผุตัถจังริยหะติปิโสจังริยาโย ปัชิมพพวเวขภะโวกันติงชาติงอภินิคขมนังปทานะจังริยังโพธิพันลังเกมางกระวิชยังสัพพัญยุตัญญานปติเวทางธัมมะจักกบปวัตนังนวโรกุตังกระทัมเมตีสัพเพปิเมพุทธคุณเนอาวเชตตัวเวสาลียา ทีสุภังรันตังเรสุตยามกรติงังกริตังคังกรอนโอาญสมมานันเทงโรวิยะังรุญญจิตังอุปัฏฐเปตะโกติสัตสหเสสุจะเวะเลสุเวตา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 ญาณิทัพพัวตานิสัมมาคตานิภูมิมณิวายานิวานตเลเคสะเพวัพัวตาณิสมาราภวันตุอโธปิสากาจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพัวตานิสาเมทะสะเพเมตังกลโรทัมมนุสิยาปัญญาธิวาเจรตโต จางรันติเยผลิงตาสมาหินแงราคะะอาปมาตายังกียจิเวตังอิตวหุงรังวาสเฮสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสัมังอาทิตตถัคเตนะอิธรรปิพุทธเทนรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสววติโหตุขยังวิรากังอมาตัง บันิตังยัทธะขาสักยามุนีสัมมาหิตตัวนาเตนะธรรมเณนาสมาธิฏฐิธรรมปิธรรมเมรุชนามบณีิตังเอเตนาสะเจนาสุวัติโหตุยังผัวทเสทหอปริวันนาเยสุจิงสมาทิมานันตริกัญยามาสมาทินาเตนาสมัวนเวชติธรรมปิธรม เมรุตนังณตังเอเตนสเจนัสวัติหวตุเยปุขลาอัตตสตังปสสะถาจาริเอตานิยุคานิหนติเตหคิายาสุขตาสสาวกาเอเตสุธินานิมหผลานิธัมปิสังเขรตนังมณตังเอเตนสเจนัสวัติหวตุ เยโสประโยชน์ตมนสาธาเห็นานิคามิโนะโวนตมะสาสนามิเตปาติปาตาอมาตังวิไคหรัทธามุธานิปุติงพูนชะมานาอิธรรมปิสังเขรตนังปนิตังเอเมนะซาเจนะสุวัตโหัตุยถินทักิโลปทตวิสิตติยาเจตวปิวาเตปิอสัมปะ กรรมมิโยตัฏปมาสสะคงฤสงวธามิโยอริยสัจหานิอเวจปาสติธรรมิสังเขรตนังบณิตังเอเตนะสัจเณสุวะทิโหตุเยอริยสัจหานิวิภาวิญติคำเพรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหณติภสังปมาตาณเตผวังอาธมมาิ ญาณที่ทํำปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวาธิโหตุสหาวาสะทาสนสัมปทาญตยาสุธรมชะฮิตาบวันติสากกายเทติวิจิกิจิตันจสีลาตังวาปิญาธาติเกณฑูจตุหปาเยหิจเวปโมตโตชาจาพิธานานิอาภพภะตาตุง อิธรรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุกิจจะปิโสกรรมะกันโรติปังกักาเยนะวาจาอุทะเจตสาวะอาภะโตาสปเตชะทายอภะปะตามเทธาปทัสวตาอิธํรมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโห ตัววนาภคุมเพยยาทพุัสิตาเขเฆมหาณมาสปัตมาสมิงเขมเหตตถปัมมังธรรมวังรงอาเทศยินิพานาคามิยงปังกรมิยงหิตาญาอิธรรมปิปุตเถรตันตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวันโรวังรัญยววันรโทวันงรัญหังโรอนุวันโรธรรมวังรัม เทสยิธรรมปิพุทธรรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวันิโหทุกขนังพุงราณังนวานาทิสัมภวังวิรัตเจตายะทิเกภวะสมิงเตเขนะพีชาวิรุนิฉันทาเนพันติเทิงายทายางปทิปวธรรมปิสังเขรตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะ สัวะทีโหตุยานทัพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิว่าอันตริเขตถากตังเทวมนสปูจิตังพุตานมามาสัมมวะทีโหตุยานทัพตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิว่าอันตริเขตถากตังเทวมนสปูจิตังธรรมามามา สมาสุวัติโหนตุยานิทัพพุตตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวันตลิเขตธาคาตังเทวมโนสปูจิตังสังตังนามาสมาสุวัติโหตุ